ทำบุญมาฟังเทศฟังธรรมเพราะเป็นการกระทําที่จะทําให้เรามีประกันภัยประกันความทุกข์ใจวัดนี้ก็เป็นเหมือนบริษัทประกันภัยญาติโยมมาวัดเพื่อมาซื้อประกันภัย ภัยที่ทางวัดจะป้องกันให้กับเราได้ก็คือภัยทางจิตใจก็คือความทุกข์ใจนี่เองถ้าเราซื้อประกันคือเราซื้อบุญซื้อธรรมะเราก็จะได้มีประกันที่จะป้องกันไม่ให้เราต้องมีความทุกข์ใจ เราบุญและธรรมานี้เป็นเหมือนกรอบคุ้มครองจิตใจที่จะทำให้ความทุกข์ต่างๆไม่สามารถเข้ามาสู่ใจของเราได้แม้ว่าจะเป็นความทุกข์ที่เกิดจากเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวเราเช่นภัยธรรมชาติต่างๆหรือความเสื่อมของสิ่งต่างๆ เป็นสิ่งที่จะไม่ทำให้ใจของเราจะต้องเดือดร้อนหรือจะต้องกังวลหรือหวั่นไหวแต่อย่างใดเพราะเรามีเกราะป้องกันเรามีที่หลบภัยเรามีความมั่นใจว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถมากระทบกระเทือนหรือมาทำลาย จิตใจของพวกเราได้เอยถ้าเราไม่ซื้อประกันความทุกข์ใจเราก็จะเป็นอย่างที่เราเป็นกันอยู่คือเราจะทุกข์กับเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของความเสือ่อมเรื่องของการดับของสิ่งต่างๆของบุคคลต่างๆไปดังนั้นเราจึงควรหมั่นมาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างธรรมะ ให้เกิดขึ้นมาภายในใจเพื่อเราจะได้มีกราะคุ้มครองจิตใจของเราบุญด้ธรรมะหรือกุศลที่เรามาสร้างกันที่วัดก็คือบุญที่เกิดจากการให้ทานบุญที่เกิดจากการรักษาสิงบุญที่เกิดจากการภาวนานี่คือบุญหลัก บ, บุญสาคัญ บุญอย่างอื่นก็ทําไปตามวาระตามเหตุการ์แต่บุญที่เราต้องทําอย่างสม่ําเสมออย่างต่อเนื่องก็คือบุญที่เกิดจากการให้ทานเกิดจากการรักษาสี่งเกิดจากการภาวนาการให้ทานนี้จะป้องกันใจของเราไม่ให้ทุกกับการเสื่อม หรือของหรือการสูญเสียของทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นในเวลาอันไม่นานในอนาคตของเราเพราะว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้เป็นสมบัติชั่วคราวไม่ช้าก็เล็วเขาก็ต้องจากเราไปหรือเขาก็ต้องจกหรือเราก็ต้องจากเขาไป ดังนั้นการมาทําทานนี้ก็เป็นการมาซ้อมใจมาฝึกใจให้เสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองให้พัดพลาดจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองถ้าเรายินดีที่จะพัดภาคแล้วแทนที่เราจะมีความทุกข์ใจเรากลับมีความสุขใจอย่างวันนี้ท่านทั้งหลายก็มาพัดภาคจากทรัพย สมบัติเงินทองของท่านในส่วนหนึ่งแต่ท่านกลับไม่ทุกข์ใจไม่เสียใจไม่เดือดร้อนใจกลับมีความสุขใจเพราะท่านมีความยินดีมีความพร้อมที่จะเสียไปนั่นเองดังนั้นถ้าเรามีความพร้อมใจมีความยินดีแล้วการสูญเสียอะไรต่างๆไปนั้น แทนที่จะเป็นทุกข์กับจะเป็นสุขเพราะจะทำให้เรามีความอิ่มใจเบา อ, อกเบาใจเราไม่ต้องมากังวลกับทรัพย์เงินทองที่เราสูญเสียไปถ้าเราเก็บเอาไว้เราก็จะมีความวิตกกังวลห่วงใยกลัวว่าเราจะสูญเสียเงินทองของเราไปโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนั้นการยึดติดในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจึงเป็นภัยต่อจิตใจเป็นทุกข์แก่จิตใจเพราะจิตใจไม่สามารถเหนี่ยวลั้งหรือเก็บทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไม่สามารถเก็บเงินทองต่างๆไว้ไปได้ตลอดไม่ช้าก็เหลวเงินทองต่างๆก็ต้องจากเราไป หรือเราก็จะต้องจากเงินทองต่างๆไปเพราะพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามาซ้อมมาฝึกการพัดภาคจากเงินทองด้วยความตั้งใจด้วยความยินดีเพราะว่าเมื่อเราทำแล้วเราจะมีความสุขใจนั่นเองแล้วเราจะรู้ว่าการมีเงินทองหรือการหวงเงินทองนี้ เป็นอันตรายเป็นภัยกับจิตใจของเราเรามีเงินทองเราเก็บไว้ได้แต่เราต้องไม่หวงเราต้องพร้อมที่จะจากเขาไปหรือพร้อมที่ให้เขาจากเราไปได้ทุกเวลานาทีถ้าเรายังมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บเงินทองเอาไว้เพื่อดูแลความจำเป็นต่างๆเราก็เก็บเอาไว้ ส่วนที่มันมีมากเกินความจำเป็นเราเอามาทำบุญดีกว่าเพราะจะทำให้เรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงไปนั่นเองอย่าไปคิดว่าการมีเงินทองมากๆนี้จะให้ความสุขกับเรามากขึ้นเงินทองนี้จะให้ความสุขกับเราได้ถึงขีดหนึ่งเท่านั้นพอมีมากเกินไปแล้ว ความสุขที่ได้จากเงินทองแทนที่จะมีมากกับจะมีน้อยลงไปเพราะว่าจะมีความทุกข์ขึ้นมานั่นเอง <Yeah. S 1> เงินทองที่จำเป็นนี่จะให้เรามีความสุขเพราะทำให้เรามีเงินทองที่จะซื้อสิ่งที่จำเป็นต่างๆเช่นซื้ออาหารซื้อยารักษาโรคซื้อเครื่องนุ่งหก ซื้อที่อยู่อาศัยถ้าเรามีเงินซื้อของเหล่านี้ก็ทำให้เรามีความสุขใจสุขทั้งกายและสุขทั้งใจแต่ถ้าเรามีมากเกินไปกว่านี้เงินทองนั้นก็ไม่สามารถที่จะมาซื้อซื้อยาซื้ออาหารซื้อเครื่องนึ่งหม่มซื้อบ้านให้มีความสุขมากกว่าที่เรามีอยู่ได้ ถึงแม้เราจะมีบ้านเพิ่มอีกสองสามหลังมีเสื้อผ้าเต็มตู้มียาเต็มบ้านมีอาหารเต็มบ้านก็ตามแต่ความสุขที่เราได้รับก็จะเท่าเดิมมีมากไปกว่านั้นไม่ได้เพราะความสุขทางร่างกายนั้นมีปริมาณจำกัดไม่เหมือนกับความสุขทางใจที่ไม่มีปริมาณจำกัด ยิ่งสร้างเท่าไหร่ยิ่งทำเท่าไหร่ยิ่งกับมีความสุขมากขึ้นไปเท่านั้นก็คือบุญนี่แหละสร้างบุญมากขึ้นไปเท่าไหร่ก็จะทำให้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปเท่านั้นไม่มีขอบเขตมีแต่จะทำให้ความทุกข์น้อยลงไปตามลำดับจนไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจเลยดังนั้นเงินที่มีมากเกินความจาเป็น ถ้าเก็บไว้ก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจเพราะจะต้องกังวลเกี่ยวกับการดูแลรักษาแล้วก็จะทำให้มีความโลภอยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะคิดว่ามีมากแล้วจะมีความมั่นคงมากขึ้นแต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะชีวิตของเราร่างกายของเรานี้ไม่มีอะไรที่จะมา รักษาให้มันมั่นคงได้ร่างกายของเราอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังคือความไม่เที่ยงคือการเจริญและการเสือ่อมร่างกายนี้มีเกิดย่อมมีแก่มีเจ็บมีตายไม่ว่าจะมีเงินทองกองเท่าภูเขาหรือเป็นขอทานข้างถนนก็มีสภาพเหมือนกัน มีความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันมีเงินทองกองเท่าภูเขาก็จะไม่สามารถมายับยั้งความแก่ความเจ็บความตายได้แล้วก็ไม่สามารถมายับยั้งความทุกข์ใจที่เกิดจากความกลัวความแก่ความเจ็บความตายได้แต่ถ้าเราเอาเงินที่มีมากเกินความจำเป็นนี้มาทําบุญ มาช่วยเหลือผู้อื่นมันก็จะทำให้เรามีภูมิคือมีบุญมาคุ้มครองรักษาใจของเราไม่ให้ต้องทุกข์กับการสูญเสียกับข้าวของเงินทองต่างๆที่เราจะต้องสูญเสียในลำดับต่อไปเพราะเรายินดีเราทำด้วยความพอใจ ถ้าเราทำด้วยความยินดีทำด้วยความพอใจแทนที่เราจะทุกข์เวลาที่เราสูญเสียทรัพย์สมบัติเงินทองเรากลับมีความสุขอย่างวันนี้ญาติโยมก็มาสูญเสียทรัพย์สมบัติเงินทองไปส่วนหนึ่งแทนที่จะร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเสียดาย อ, อาลอยอวลับมีความสุขใจมีความอิ่มใจ มีความภูมิใจนี่แหละคือบุญที่จะคุ้มครองรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์กับการสูญเสียทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองสิ่งของต่างๆที่เราจะต้องสูญเสียไปในวันใดวันหนึ่งอย่างแน่นอนดังนั้นถ้าเราทำบุญบ่อยๆ มาฝึกการสูญเสียทรัพสมบัติเข้าของเงินทองบ่อยๆเราก็จะมีบุญมาคุ้มครองจิตใจของเราเวลาที่เกิดการสูญเสียเกิดการพัดพลาคจากทรัพสมบัติเงินทองต่างๆไปคนที่ทำบุญเป็นประจำนี้เวลาที่สูญเสียทรัพเข้าของเช่นมีขโมยขึ้นบ้าน แล้วลักทรัพย์ไปลักเข้าของไปคนที่ทําบุญนี้แทนที่จะเสียใจกับรู้สึกสุขใจเพราะเขาจะคิดว่าก็เป็นการทําบุญนั่นเองดีเสียอีกดีกว่าที่จะต้องมาทําถึงที่วัดต้องขับรถต้องขนข้าวของมาถึงที่วัดแต่นี่มีคนมารับของจากที่บ้านไปเลยเขาจะคิดอย่างนั้นเขาจะคิดว่าวันนี้ได้ทําบุญ เขาเดือดร้อนเขาต้องการข้าวของต่างๆที่เรามีอยู่ก็ให้เขาไปเราไม่มีมันเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเรามีความสุขใจเราไม่เสียใจหรือถ้าเรายังมีความจำเป็นที่จะต้องมีอยู่ก็คิดว่าเราจะได้ของใหม่ใช้เช่นถ้าเขาเอาทีวีไปก็ดีใจว่าดีแล้ว จะได้ซื้อทีวีเครื่องใหม่ซื้อรุ่นใหม่ที่ดีกว่าเก่าเรามีเงินเราไปกลัวอะไรเราไม่เสียดายเราที่เราไม่ซื้อทีวีรุ่นใหม่ก็เพราะว่าเรายังเห็นว่ามันไม่มีความจําเป็นของเก่ายังใช้ได้อยู่เราก็ใช้ไปเราเก็บเงินเอาไว้ก่อนเอาไว้เผื่อวันข้างหน้าเวลาที่เครื่องเก่ามันเสียหรือเครื่องเก่าถูกขโมยไป เราก็เอาเงินที่เราเก็บนี้มาซื้อเครื่องใหม่ได้เราจะไม่เดือดร้อนเราจะมีความสุขเราไม่ต้องเสียเวลาขนเครื่องเก่าไปบริจาคที่อื่นและบางทีผู้ที่รับบริจาคเขาก็อาจจะไม่อยากได้เสียได้ซ้ำไปเพราะเป็นของเก่าแต่นี่เรามีคนมารับถึงที่บ้านมีขโมยมาเอาไป เราก็เลยต้องขอบคุณขโมยที่ทำให้เราได้ซื้อทีวีเครื่องใหม่มาใช้นี่คือลักษณะของผู้ที่ใจบุญสุนทานจะคิดอย่างนี้จะไม่เสียใจกับการสูญเสียทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไปในทางตกงกันข้ามคนที่ไม่ทำบุญใจไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่เป็นคนใจบุญสุนทาน เวลาเสียอะไรไปเล็กๆน้อยๆนี่จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอย่างมากจะเกิดความโกรธแค้นโกรธแค้นผู้ที่มารักสิ่งที่เป็นสมบัติของตอนไปเพราะว่าไม่เคยทำบุญไม่เคยเสียสละไม่เคยยินดีที่จะสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปนั่นเองนี่คือวิธี ป้องกัน ร, รักษาใจของเราไม่ให้ต้องมาทุกข์กับการสูญเสียทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไปนี่คือบุญที่เกิดจากการให้ทานส่วนบุญที่เกิดจากการรักษาศีลก็คือจะป้องกันความทุกข์ใจที่เกิดจากการทำบากนั่นเองเวลาเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนักทรัพย์ประพุติผิดประเวณี พูดบดมดเทศเสพสุรายามองใจของเราจะมีความทุกข์ใจจะมีความไม่สบายใจจะมีความวุ่นวายใจจะมีความหวาดวิตกกังวลกลัวจะถูกจับไปลงโทษกลัวจะถูกผู้อื่นมาทำร้ายเนื่องจากไปทำร้ายผู้อื่นก่อนแต่ถ้าเราไม่ได้ทำบาปแล้ว ใจของเราก็จะไม่มีความหวาดวิตกไม่มีความกังวลและตายไปเวลาตายก็จะตายอย่างสงบตายอย่างสบายใจพร้อมรู้ว่าไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายผู้ที่รักษาศีลห้าได้ผู้ที่ไม่ทําบาปเวลาตายไปจะไม่ต้องไปเกิดในอบายที่ในอบายนี้ก็คือที่เกิดของ ในรฉานของเปรตของผีของสัตว์น ร, รกทั้งหลายถ้าได้ทําบาปแล้วก็จะต้องไปเกิดในอบายทั้งสีน่นี้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแน่นอนขึ้นอยู่กับเหตุที่ทําให้ทําบาปถ้าทําบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าทําบาปนี้มีโทษตามมาเช่นผู้ที่ ทำบาปเพื่อทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทองมีอาชีพจับปลาดักสัตว์ค้าสัตว์ค่าสัตว์มาขายเพื่อเลี้งปากเลี้ยงทองพวกนี้ถ้าตายไปก็ต้องไปเกิดเป็นเด ร, รัจฉานถ้าทำบาปเพื่อขังโลกเพราะมีพอ ม, พอมีพอกินแล้วมีสัมอาชีพอยู่แล้วแต่อยากได้มากๆอยากโลภมากๆ ก็ไปทำบาปด้วยการฆ่าสัตว์หรือด้วยการช่อโกงลักทรัพย์หรือการประพฤติผิดประเวณีหรือการโกหกหลอกลวงถ้าตายไปก็ต้องไปเกิดเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตโกรธเกลีย์อาฆาตพยาบาทตายไปก็จะต้องไปตกนรกนี่คือ ที่ไปของผู้ที่ทำบาปด้วยเหตุผลต่างๆในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างหวาดวิตกกังวลอยู่อย่างไม่มีความสุขต้องคอยหลบคอยซ่อนอยู่เรื่อยๆ mm hmm. เวลาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่มีความสบายใจวิตกกัวว่าจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปขังคุกขังตลาง จะไปลงโทษแต่ถ้าไม่ได้ทำบาปแล้วจะไม่มีความเดือดร้อน mm hmm. เวลาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจ mm hmm. ก็จะรู้สึกเฉยๆ mm hmm. ไม่มีความวิตกกังวลแต่อย่างใด mm hmm. นี่คือการม า, าสร้างบุญดุจที่เกิดจากการรักษาสิงเพื่อป้องกันความทุกข์ใจ ที่เกิดจากการทำบาปไม่ให้เกิดขึ้นนั่นเองส่วนบุญข้อที่สาก็คือบุญที่จะมารักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเจริญหรือการเสื่อมของสิ่งต่างๆเหตุการณ์ต่างๆถ้าเรามี มีการภาวนาแล้วใจของเราจะมีภูมิคุ้มกันใจของเราจะสงบจะวางเฉยได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะถูกใครดุด่ดาว่ากล่าวก็จะรู้สึกเฉยเฉยใครมีใครมีการสรรเสริญเยินยอก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนไม่ยินดีไม่ยินร้าย จะถูกทำร้ายก็จะรู้สึกเฉยเฉยจะเจ็บเพียงร่างกายแต่ใจจะไม่เจ็บด้วยใจยอมรับความจริงว่าเกิดมาแล้วย่อมมีการเจ็บเป็นธรรมดาไม่โดนคนอื่นเขาทำร้ายร่างกายก็จะถูกโกครคภัยไข้เจ็บทำร้ายร่างกายได้เหมือนกันดังนั้นเวลาที่ถูกผู้อื่นทำล้ายร่างกาย ก็จะคิดว่าเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยไปก็จะไม่ต้องไปโกรธแค้นโกรธเคืองไม่ต้องไปทำบาปไม่ต้องไปมีเรื่องมีราวไม่ต้องมีเวรมีกรรมไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายหลังจากที่ตายไปแล้วถ้าเราสามารถรักษาใจของเราให้เป็นกลางเป็นอุเบกขาได้อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเราใจของเราจะรู้สึกเฉยเฉยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะความจริงแล้วมันก็ไม่ได้เกิดที่ใจไม่ได้เปถูกใจเลยใจเป็นเพียงเหมือนคนดูเท่านั้นเองดูร่างกายที่เป็นสมบัติชั่วคราวร่างกายต่างหากเป็นผู้ที่รับข้อกรรมต่าง เวลาถูกทุกตีก็คือร่างกายที่ถูกทุกตีเวลาที่ถูกด่าถูกถูกนินทาถูกว่ากล่าวต่างๆก็เป็นร่างกายที่ถูกด่าถูกว่ากล่าวใจไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกว่ากล่าวแต่อย่างใดไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกตีไม่ได้เป็นผู้เจ็บไม่ได้เป็นผู้ตายแต่อย่างใดถ้าภาวนาแล้วจะเกิดปัญญาขึ้นมา จะเห็นความจริงว่าใจนี้ไม่ใช่เป็นร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ได้เป็นของเราเราเป็นใจใจนี้ไม่ไ ด, ไได้ไม่เสียกับสิ่งต่างๆเพียงแต่มามามีไว้ครอบครองเป็นสมบัติชั่วคราวเท่านั้นในที่สุดก็จะต้องสูญเสียไปหมดเพราะเวลามาก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาเวลาใจมา สิ่งแรกที่ใจได้ก็คือร่างกายที่ตั้งอยู่ในท้องแม่พอคลอดออกมาจากท้องแม่ก็เริ่มเจริญเติบโตพอโตเป็นผู้ใหญ่มีความสามารถก็ไปหาสมบัติต่างๆมาไว้ครอบครองหาสามีหาภรรยาหาบุตรหาทิดามาครอบครองเป็นสมบัติมาให้ความสุขชั่วคราวแต่พอร่างกาย ตายไปสมบัติต่างๆเหล่านี้ก็หมดสภาพไปใจที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาสมบัติต่างๆก็ ต, ต, ๆ ต, ต, ๆ ต, ต, ๆต้องจากร่างกายนี้ไปไปรับผลบุญรับผลบาป ต, ต, ต่อไปถ้าทำบาปก็ต้องไปเกิดในอบายถ้าไม่ได้ทำบาลดิทำแต่บุญก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ ถ้าไม่ได้ทำบาปไม่ได้ทำบุญก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าหยุดความอยากที่จะได้สิ่งต่างๆอยากมีสิ่งต่างๆได้ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่นี่คือเรื่องของใจเป็นอย่างนี้ใจของเราที่ยังกลับมาเกิดใหม่อยู่ก็เพราะว่าเรายังไม่สามารถทำใจของเราให้เฉยๆได้นั่นเอง เพราะว่าเวลาเราเห็นสิ่งต่างๆเรายังมีความยินดีมีความยินร้ายอยู่เวลามีความยินดีก็อยากได้เวลามีความยินร้ายก็อยากจะหนีจากสิ่งที่เราไม่ชอบไปถ้ายังมีความอยากอยู่เราก็ยังจะต้องกลับมาเกิดใหม่แต่ถ้าเราสามารถทำใจของเราให้เฉยไม่มีความยินดียินร้ายได้ ใจของเราก็จะไม่มีความอยากเห็นอะไรก็จะเฉยๆไม่ยินดีเมื่อไม่ยินดีก็ไม่อยากได้เมื่อไม่ยินร้ายก็ไม่อยากจะหนีไปใจของเราก็อยู่ตรงไหนก็ได้อยู่เฉยๆได้ตลอดเวลาถ้าไม่มีความอยากแล้วใจของเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่นี่คือธรรมชาติของใจเป็นอย่างนี้สิ่งที่ทำให้ใจของเรา ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็คือความอยากที่มีอยู่ภายในใจคือความอยากในกามคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลธรรงความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่เป็นมนุษย์ธรรมดาไม่พอต้องมีตำแหน่งต้องเป็นผู้จัดการต้องเป็นนายร้อยนายพันนายพล ต้องเป็นสสต้องเป็นรัฐมนตรีต้องเป็นนายกนี่คือความอยากมีอยากเป็นความอยากมีก็อยากมีสมบัติมากมายกายกองอยากมีรถหลายๆคันอยากมีสามีภรรยาหลายๆคนนี่คือความอยากต่างๆที่ทำให้ใจยังต้องไปเกิดใหม่ความอยากชนิดที่สามก็เช่นเดียวกันคือความอยากไม่มีอยากไม่เป็น ชื่นอยากไม่จนอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ตายถ้ามีความอยากเหล่านี้อยู่ภายในใจใจก็ยังจะต้องไปเกิดใหม่ถ้าเกิดใหม่ก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดผากับสิ่งต่างๆอีกนี่คือเรื่องของใจของเราที่เวียนว่ายตายเกิดมาในพบน้อยพบใหญ่นับไม่ถ้วนแล้ว เพราะเราไม่รู้ธรรมชาติของใจเราไม่เราไม่รู้ว่าทำอย่างไรถึงทําให้เรายุติการเวียนว่ายตายเกิดทำอย่างไรทําให้ใจของเรามีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนามาพบกับพระธรรมคาสอนเราถึงจะรู้ว่าการที่จะทําให้ใจของเรามีความสุขไม่มีความทุกม เราก็ต้องทำบุญตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงรรมาแล้วทรงดับความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจหมดไปแล้วทรงสร้างความสุขให้มีเต็นเปี่ยมอยู่ภายในใจทรงยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วจึงได้ทรงนำเอาวิธีที่พระองค์ได้ปฏิบัติ มาเผยแระสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราพวกเราถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็ถือว่าได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้รับโชคอันมหาศาลเราเพียงแต่มีหน้าที่เอาลอตเตอรี่ที่เราถูกนี้ไปขึ้นรางวัลเท่านั้นวิธีที่จะขึ้นรางวัลของพระพุทธศาสนา ก็คือให้ทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งอสอนสประการนี้นั่นเองก็คือให้สร้างบุญที่เกิดจากการให้ทาน2ให้สร้างบุญที่เกิดจากการรักษาศีลและสาให้สร้างบุญที่เกิดจากการภาวนาทำใจให้สงบจเจริญสตินั่งสมาธิแล ะ, จะเจริญปัญญานี่คือวิธีที่จะ สร้างความสุขให้เต็มเปี่ยมอยู่ภายในใจดับความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปแล้ก็ยุติการเวียนว่ายตายเกิดเพราะนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงธรำร ม, มาแล้วและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติตามมาแล้วผลก็เป็นอย่างที่ได้แสดงเอาไว้ พวกเราก็จะได้รับผลอย่างนี้เช่นเดียวกันถ้าพวกเรามีศรัทธาความเชื่อและมีวิริยะความภาคเพียรที่จะปฏิบัติตามจึงขอฝากเรื่องของการมาซื้อประกันภัยของใจมาซื้อประกันเครื่องป้องกันความทุกข์ใจเครื่อมดับความทุกข์ใจเครื่องดับการเวียนว่ายตายเกิดนี้